โดยเฉพาะแก่ท่านผู้เป็นเจ้าภาพนั้นจึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงคุณความดีนั้นหรืออุปการะคุณ น, นั้นแล้วควรขวายกระทากิจต่างๆอันพึงทรรมเพื่อระลึกถึงท่านอุทิศส่วนกุศลให้ท่านตามประเพณีนิยมที่ได้สืบกันมาในสังคมและตามหลักของพระศาสนาส่วนในฝ่ายของเจ้าภาพที่ได้มาประกอบพิธีนี้ ก็เป็นการประกาศถึงความดีของท่านว่าเป็นผู้มีกระตันยูกระตาเวทิตาธรรมเมื่อท่านผู้มีอุปการพะคุณซึ่งได้ทำความดีกระตนไว้ได้ล่วงลับไปแล้วก็มิได้นิ่งอยู่เฉยได้ขวนขวายกระทากิจที่ควรทำมีความรำลึกถึงท่านและพยายามแสดงตอบแทนในเมื่อไม่สามารถจะกระทาได้ด้วยประการอื่นเพราะท่านผู้มีพระคุณได้ล่วงลับไปแล้ว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 จะได้มาทำบุญทำกุศล ร, ร่วมกันงอกงามในกุณความดียิ่งขึ้นไปในทางพุทธศาสนานั้นท่านให้หาโอกาสทุกอย่างที่จะกระทำสิ่งที่ดีงามคือเมื่อมีเหตุการณ์น่นนาพึงใจก็ตามไม่น่าพึงใจก็ตามเกิดขึ้นพุทธศาสนิกิชนจะได้ใช้โอกาสนี้ทำให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นกุศลมากยิ่งยิ่งขึ้นไป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 มีเหตุการณ์อันทาให้เกิดความทุกข์ความโศกเศร้าแต่ก็ใช้เหตุการณ์ที่โศกเศร้านี้ลหละทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นคุณเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นตนเองก็ได้บาเพ็ญกุศลทําความดีในทางศีลและภาวนามากยิ่งขึ้นได้ช่วยบาเพ็ญประโยชน์บารุงพระศาสนาจัดพิธีต่างๆอันเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้ท่านผู้อื่นที่มาร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลได้รับความเจริญงอกงามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของตนเองดังเช่นที่ได้มีพระธรรมเทศนาเช่นนี้ก็นักได้ว่าเป็นการนําเอาโอกาสหรือเหตุการณ์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งพอเริ่มใช้ปัญญาก็รู้ว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิต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 มีเกิดก็มีดับหรือว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปในที่สุดท่านพูดถึงความตายเพื่อไว้เตือนสติปุถุชนแต่กระนั้นก็ตามปุถุชนทั้งหลายก็ย่อมปรารถนาในส่วนที่ตนถูกใจ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 หาแต่ความสุขความรนเปล่ตนเองและก็ไม่อยากนึกถึงความตายเพราะจิตใจสลดหดหูและทำให้เกิดความท้อแท้อันนี้ในทางธรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องทางหลักธรรมท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตายทางนี้เป็นการพูดทวนกระแสจิตของมนุษย์แต่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นั่นเอง